อาจมีผู้สงสัยว่าองค์มรรคหลายอย่างจะทําหน้าที่ในขณะหนึ่งขณะเดียวกันได้อย่างไรโดยเฉพาะองค์ฝ่ายศีลเช่นสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องในกรณีอย่างนี้เลยปัญหาข้อนี้คงจะตอบให้เข้าใจได้ด้วยเอาตัวอย่างที่เห็นง่ายกว่าเข้ามาเทียบเช่นคนยิงปืนแม่นหรือยิงธนูแม่น ในวันที่มีการประกวงหรือแสดงเราเห็นเขายิงปืนหรือธนูถูกเป้าประสบความสำเร็จเขาได้รับชัยชนะยิงถูกเป้าด้วยการยิงที่เป็นไปในเวลาขณะเดียวเท่านั้นถ้ามองผิวเผินก็อาจพูดเพียงแค่ว่าเขามือดีหรือมือแม่นจึงยิงถูกแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้ามองเหตุปัใจจัยให้ลึกซึง้งเบื้องหลังความมีมือดีมือแม่น และการยิงถูกขณะเดียวคราวเดียวนั้นเราอาจสืบเห็นการฝึกหัดซักซ้อมที่ใช้เวลาก่อนหน้าเหตุการณ์นั้นยาวนานเขาอาจฝึกตั้งแต่การวางท่าการยืนการวางเท้าวางขาวางไหลวางแขนวิธีจับวิธีประทับอาวุธการเล็งการกะระยะการหัดใช้กำลังให้พอดีปัญญาไหวพริบการตัดสินใจ และจิตใจที่แน่วแน่เป็นต้นมากมายจนเกิดความคล่องแคล่วช่ำชองทำได้ในเวลาฉับไวเข้าที่ทันทีจนรู้สึกเหมือนเป็นไปเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามครั้นถึงข่าวแสดงในเวลาที่เขายิงถูกเป้าอย่างแม่นยำอันเป็นไปในขณะเดียวนั้นย่อมมีความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าการยิงแม่นวิบเดียวนั้นเป็นผลรวมของการจับ ถือวางกริยาท่าทางใช้กำลังพอดีด้านร่างกายความมั่นใจจิตตั้งมั่นแน่วแน่และความรู้ไหวไหวพริบทั้งหมดที่เป็นเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมอยู่เบื้องหลังตั้งมากมายพูดอีกอย่างหนึ่งกิริยาอาการความพอดีของร่างกายทั้งหมดก็ดีภาวะจิตใจที่พร้อมและทำงานได้ที่ก็ดีปัญญาที่รู้เข้าใจบัญชาให้ตัดสินทาการก็ดี ทำหน้าที่ร่วมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวกันมองย้อนทางว่าความพร้อมพอดีของกายความพร้อมพอดีของใจความพร้อมพอดีของปัญญาในเวลาขณะเดียวนั้นก็คือผลของการซักซ้อมฝึกหัดตลอดเวลายาวนานเป็นแรมเดือนแรมปีทั้งหมดจึงพูดได้ว่าการยิงถูกเป้าขณะเดียวนั้นเป็นผลงานของการฝึกซ้อมที่ยาวนาน เป็นเดือนเป็นปีทั้งหมดโดยที่ความถนัดความสามารถความชํชนานิชํานาญที่เป็นผลจากการฝึกแรมเดือนแรมปีทั้งหมดนั้นไม่ว่าทางกายทางจิตใจและทางปัญญาทุกอย่างทุกด้านทุกส่วนทํางานร่วมพร้อมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวนั้น